ขวบขุ่นงมีอะไรบ็ขูดคุยกันในด่านธรรมะด่านละอิเลสเพราะนักปฏิบัติในเหมือนคนธรรมดาจะต้องรักษาดูแลจิตใจของตัวการปฏิบัตินั้นสำคัญอย<ด>ู<ด>่ที่สติถ้าขาดสติเสียอย่างการปฏิบัติ ก็ไม่เกิดผลอะไรให้สองมีสติอยู่ตลอดระยะเวลาจะไปจะมาจะกินจะดื่มจะทำจะพูดตลอดถึงคิดสองมีสติคือเราลึกรู้ในเวลาเราทำเราพูดเราคิดเราไปเรามา ถ้าขาดสติใช่อย่างแล้ว <c oughs> การทำการผูกการคิดเน่ยนั้นมันก็ไม่เกิดประโยชน์ให้โดยส่วนใหญ่ผู้ปฏิบัติถ้าขาดสติแล้วหมดความหมายสติจึงเป็นตัวการตัวจักสำคัญที่จะทำกิตใจของพวกเราท่านให้อยู่ในวงของอัดของธรรม เราทําอะไรพูดอะไรคิดอะไรทํามีสติมันกพอที่จะเกิดปัญญาขึ้นทำนี้มีความหมายอย่างไรพูดนี้เป็นไปเพื่อทางแกะไขจิเลศหรือเป็นทางสะสมจิเลศคิดนี้คิดถูกจากหลักธรรมอย่างไรมันเกิดปัญญาสามารถที่จะนา่าเรื่อง นั้น น, นให้ถูกต้องถ้าในนีส้สติพูดไปคุยไปทำไปเพลินไปมันก็เหมือนกันกับคนที่ไม่ฝึกรักษาปฏิบัติภาวนานี่แต่เพลินอยู่เรื่องนอกจิตก็เลยลอยลมเลื่อยไปความสงบเย็นเป็นสุขภายในเลยไม่เกิดขึ้นแต่นั้นสติจึงเป็นกุญแจตัวสำคัญที่จะ เปิดอัดธรรมของพระพุทธเจ้าให้รู้ให้เห็นในจิตในใจของตนไดน้เราทุกคนที่มาปฏิบัติฝึกหัดอบรมกายใจของตัวนั้นหน้าที่การงานอื่นมันก็ไม่มากมาหลายหลวงเหมือนพวกโลกเขา ไม่ได้ยุ่งเกี่ยวกับการทำมาหาชินรับผิดชอบเข้าขงเงินทองบ้านช่องคนถี่มาปฏิบัติต่างหน้าต่างตามาบวชเป็นพระเป็นเนรประพฤติปฏิบัติเพื่อความสงบสงัดเย็นใจไม่ได้อย่าไปคิดเลยว่าการออกไปจากเขตของเรานี้จะมีความสุขความสงบให้ แต่เพียงเราไม่มีธุระหน้าที่อะไรตั้งใจรักษาจิตใจเท่านั้นมันก็ยังไม่ทันกับเรื่องกิเลสตัณหาถ้าหากออกไปนอกมีเรื่องยุ่งเกี่ยวขัวพันเหยื่อยุมาทอะไรใจมันจะเกิดความสุขความสงบนั้นอย่าไปนึกไปฝันหาการมาบวชการมาปฏิบัติจึงเป็นโอกาสเวลา ที่เราทุกคนจะควรศึกษาควรปฏิบัติให้จิตใจของพวกเราท่านตั้งมั่นเป็นสมาชิมีความสงบสุขภายในหากไม่ตั้งหน้าตั้งตาปฏิบัติจะอยู่วัดอยู่ป่าอยู่ถ้าอยู่เขามันมีความหมายอะไรเพราะสัตว์ทั่วไปมันก็อยู่ได้ หาตั้งหน้าตั้งตาลงปฏิบัติสถ า, านที่สงบสงัดภายนอกไม่มีเรื่องอะไรมาเกี่ยวข้องห ย, ยู่ยุสงบอยู่ตลอดเวลาสัตว์ทั่วไปมันร้องมันไม่เป็นพิษเป็นภยัยแก่ใจของมนุษย์ เหมือนคำพูดของมนุษย์เหมือนกันจากนั้นการปฏิบัติทผ่นจึงให้สแสวงหาสถานที่วิเวกคือสงบด้านนอกแต่เราไปถึงที่วิเวกไม่ตั้งหน้ารักษาสั้งวรงกายวาจาของตัวตลอดใจของตัวทำชั่วพูดชั่วคิดชั่วไปตามอำเภอของจีเรศ ที่มันปรุงมันคิดมันอยากพูดก็พูดมันอยากทำก็ทำมันอยากคิดอะไรก็ปล่อยมันไปตามสภาวะของกิเลสตัณหาที่มีอยู่ในใจหาความรู้สึดตัวว่าเรามาบวชมาปฏาบัติปฏิบัตริระยะเวลาขณะที่เราพูดเราคิดอยู่นี้มันเป็นไปในทาง แกไถเป็นไปในทางละชั่วละจิเลตหรือไม่หรือมันเป็นไปเสืออะไรนี่เรื่องสติไม่มีเลยในราว่าเราคิดเราทำเราพูดอะไรแ้วปัญญาที่จะสอดสองมองดูให้รู้เหตุผลที่ตนทำพูดคิดอยู่นั้นมันก็ไม่เกิดขึ้นเมื่อมันไม่เกิดขึ้นยีนมันก็รักษาไม่ได้สมาธิ มันก็ไม่มีวันไหววกแหวกไปตามปัญญาอารมณ์เลื่อยไปปัญญาที่จะรู้แจ้งแท ง, แงตลอดรอบในเรื่องต่างๆของสังขานมันก็ไม่เกิดขึ้นเมื่อมันไม่เกิดไม่เตินไม่เห็นไม่รู้อะไรก็ดูมิ่นิ น, นทาถามนั้นก็เคยไปอยู่ครูอาจารย์นั้นก็เคยไปอบรมแก จิตใจของตัวนั้นไม่มีอะไรนี่แต่เขาเราลือกันเท่านั้นบาปปฏิบัติอัดทำได้รับความสุขความสบายความเย็นใจเราไปแล้วไม่เกิดสาระประโยชน์ให้กบข้อตัวไปแบบที่ว่าคือไม่สังวรรักษาไม่ตั้งหน้าทําจริงมันจริงไม่เกิดเห็นเรียนรู้ในอัดในทําให้เมื่อมันเป็นอย่างนั้น จะตมัมมิเรื่องสถานที่ตมัมมิวัดวาทูอาจารย์ตมัมมิพุทธศาสนาหรือจะตัมมิตัวเองถ้าหาไปตัมมิข้างนอกไม่ตัมมิตัวเองแล้วเชิญเถอะคนนั้นจะไปที่ไหนไปกันไม่มีวันเวลาที่จะรู้เห็นสงบเย็นให้มีใจจะ เ, จเดือดร้อนแสกเผาเรือยไปสถานที่ใด ถ้าหากใจคงตัวไม่จ้งวอนระวังไม่ตั้งหน้าปฏิบัติสถานที่มันไม่เคยทำให้จะผู้ที่ไปอยู่ไปอาศัยและสถานที่เหล่านั้นมันก็เหมืเก็ดกิเลสตัณหาไม่สามารถที่จะไปนรกสวรรค์นิพพานที่ไหนกันจะอาศัยสถานที่เป็นที่ฝึกอบรมเพราะสถานที่เงียบสงบวิเว้ หน้าที่การงานด้านอื่นเราไม่มีต่างหน้าต่างตามาประจิบดับโดยเฉพาะถ้า เ, เราต่องสังวรละ ว, วงังหยุดใจขี่ไข่คิดไปในแง่มุมของโลกควรที่จะปล่อยวางละทิ้งพอเรามาบวชไม่ใจมาสร้างอารมณ์สัญญา เรามาบวชเป็นเฉยจะมาโนทิตเอาเรื่องของโลกเราละทางกายมาไดา้คือการไม่เกี่ยวข้องผัวพันกับเรื่องรูปเสียงกลิ่นรสสัมผัสถึงชาวโลกทั่วไปเขาติดใจของใจกันอยู่เรามาบวชละทิ้งไปหมด เข้าคล้องเงินทองสมบัติพัสดฐานบานช่องต่งงางหน้าต่างตาอยู่ในป่าในวัดสิ่งที่อยู่ที่อาศัยก็อาศัยคนอื่นเขาสร้างให้เขาไม่ไเจ็บค่าเช่าอะไรกับเราไม่ว่าเสือนอนหมอนเหมือนสถานที่ที่เขาสร้างให้เป็นที่ปลอด ใน ม, มีอะไรจะมาหย่อยุให้เราหวุนวายอย่าจะนั่งเพาวนาก็ไม่มีใครมารบกวนยุ่งเกี่ยวอยากจะเดินจงกรมก็เดินได้สะดวกสบายกลางวันก็มีร่มเงาเย็นพอที่จะเดินได้ แต่เราไม่เอาจริงเอาจังให้ไม่ทำจริงทำจังให้จิตใจก็ไม่เป็นไปเพื่อความสงบวิเวกไม่รู้ไม่เข้าใจเรื่องอัดเรื่องทำเพราะไม่ทำจริงก็เลยเกิดสงสัยว่าตัวเองไปอยู่สถานที่นั้นก็แค่นั้นไ่อยู่สถานที่นี้ก็แค่นี้แต่ความเพียรมันเคยกล้างหน้าถุนไปไหม สวีคูณสิ้นไปไั้ยหรือไปอยู่สถานที่ใดก็ทำอย่างตามอำเภอใจไม่บางครับ <c oughs> ตัวทำความเทียนม่รักษาจิตไม่สังวรใจถ้าหากเราจะตำหมีสถานที่ไม่ตำหนิตัวเองทานที่จะแก้ไขห้ใจ แต่สงบระ ง, งับมันไม่เกิดขึ้นถ้าหากเราตมิตัวเองวันคืนผ่านไปเวลาผ่านไปเราได้อะไรจากวันเวลาที่ผ่านไปไหมหรือหากเป็นโมฆะวันนี้ก็ไม่มีอะไรซึ่งเป็นทางอัต ท, ทังธรรมเกิดขึ้น วันก่อนผ่านมาก็ไม่มีอะไรเดือนนี้ก็ไม่มีอะไรเดือนหน้าก็จะไม่มีอะไรอีกเพราะคนคนเก่า <c oughs> แล้ว้องเตรียมตัวของเราด้วยสติด้วยปัญญาที่นิที่เจนาในบงของธรรมอยากพิเจนานอกวงของธรรมคนที่อยู่คนเดียวได้ ท, ทั้งทั้งสิจใจ ก็รักษาไม่ให้ยุ่งเกี่ยวกับอารมณ์สัญญาสาังนอกมีความสุขความสงบอยู่ภายในใจเย็นใจสบายใจสว่างสวัยนี่ ค, คือคูอประพฤติปฏิบัติที่เป็นไปในอจในธรรมท่านเห็นท่านเจนอย่างนั้นท่านจึงไม่เกิดอัศจักรเรื่องของโลก เขาจะเป็นอย่างไรเรื่องของเขานั้นทันไม่ได้ยุ่งเ่ยวขเพราทันสงบทันสบายทันเย็นในจิตในใจของทานด้วยอานาจอาจทำคือสติปัญญาต่อรักษาจิตในจิตตุไปทางนอก ถ้ามันปรุงไปคิดไปในเรืเนนะเ่องของโลกของข้างนอกท่านกว่านํามาที่นี่พี่แจณะเรื่องของโลกที่มันปรุงไปคิดไปนั้นมันมีดีอะไรถึงจะไปติดใจของใจยินดีเลื่อมใส่คนทั่วโลกเขามีความสุขขนาดไหนเขาได้อะไรใน ชีวิตของเขาถิอเป็นอยู่หรือหากนี่จะทำลุ่มหลงเท่านั้นรุ่มหลงแล้วได้อะไรเมื่อจากอัตภาพหรือจากโลกไปเราพิจารณาหาทางแก้ไขจิตใจสิปรงคิดเกิดให้มันถอดถอนเข้าใจในจริงเหมือนนั้นตามเป็นจริงของมันมันก็ หบตัวถอยตัวเข้ามาเพราะทราบว่าเรื่องความหลงอย่างนั้นไม่เป็นสาระอะไรให้เดินไปทางกิเลสตันหามานาทิจิอุปาทานยึดมั่นแต่ความจริงแล้วไม่มีอะไรที่ได้มาจากการหลงไหลไฝฝันการเพิดเพลิน ม, มัวเมามันจะทราบ จะเข้าใจเหมือนมันทราบมันเข้าใจว่าไม่มีอะไรที่หนาตองการที่เป็นสาระมันก็ปล่อยวางของมันนี่ไม่ได้คิดกันอย่างนั้นมันจึงเกิดโลภอยากได้เกิดราคะความกำหนัดย่อมใจถ้าหากมันคิดไปในทางอาัตทางธรรม มันจกไขความเป็นคิดต่างๆตลอดถึงความกำหนัดยินดีได้เพราะทมเป็นยาสามารถที่จะขับไล่โรคภัยคือกิเลสตัญหาให้หายไปจากกายจากใจยาขนานนี้คือยาธรรมะของพุทธเจ้า ท่นเคยรักษาคนที่เป็นโรคกิเลสตัญหาหายมานับไม่ถ้วนถ้าหากนำมารักษากายวาจาใจคงตัวจริงจังจะไม่เหนือยาไปได้โรคของกิเลสตัญหาจะดับสนิทไม่มีโรคอะไรที่จะเป็นทิศเป็นภัยแก่ใจอีก เมืรามองข้ามเรื่องของยากจะอยากสุขอยากสบายโรคมีมากขนาดไหนก็ไม่สนใจที่จะแก้ไขจะรักษาเหตุนั้นพวกเราจึงเป็นโรคกิเลสตัณหาอยู่ในจิตในใจทั้งทั้งที่เหตุก็เป็นเหตุนักบวชอยู่ก็อยู่ในป่าในเขา แต่ เ, เราก็มีจิตเหลีดตันหามันอยู่แต่กายอยู่ในวัดในวาเป็นพระเป็นเนรตั้งแต่เพียงกายใจใจมันเป็นคารวะเป็นโจรเป็นมารฮะฉกหาลักหาขโมยหาปน่นหาจี้ท่องเที่ยววิ่งวุ่นกับโลกเลื่อยมาถ้าโจรพระมารพระขโมย ไม่เจพพะมีอาจมีธรรมมันจึงไม่สงบระ ง, งับให้ถ้าพระมีอาจมีธรรมพระอยู่ในขอบข่ายของสติปัญญาไม่เป็นไปอย่างนั้นตาเห็นหูได้ฟังใจคิดจะต้องไปใน วงคลองอัดคองทมไปในทางแกะไขไปในทางละถอนกิเลสไม่ได้ไปคองสิทธิ์คิดแวะยุ่งเกี่ยวกับรา่าตัญหาต่างๆความจริงโลกอันนี้มันเปิดเผย อ, อยู่ตลอดเวลาแต่เทอาว่าเราไม่มีปัญญาที่จะที่จะได้นาแกะไขจิตใจที่คองสิตเท่านั้น ถ้าเรามีปัญญาแล้วอะไรมันก็ะเป็นอัจเป็นธรรมทุกสิ่งทุกอย่างไปเหมือนกันกับหมอี่ทขาเคยเรียนวิชาในการรักษาคนไข้ไปในป่าในเขาเขาจะทราบดีว่าต้นไม้ต้นนี้เป็นยาอันนั้นต้นไม้ต้นนั้นเป็นยาอันนี้ทั้งทัที่เราไม่เป็นหมอเข้าต้นยาอยู่ก็ไม่รู้ว่า จะเอาไปรักษาอะไรเพราะเราไม่เข้าใจว่าต้นไม้มันเป็นหยดเป็นยาเป็นไข่จะตายนอนอยู่ในร่มไม้ที่เป็นหยดเป็นยาถ้าหากเราไม่นำมาต้มมาทานมาทามันก็ไม่หายให้อย่างเราอยู่ในวัดในวาเสวาตำรับตาราของธรรมะของธรนองเดียวกันในนําธรรมะ มาสอนใจของตัวมันจึงเกิดราคาตัญหาจึงเกิดบ้าเกิดบออยู่เลื่อยมาไม่มีเวลาสงบสุขให้หาพิจรารณาในอัดในธรรมโลกมันสว่างสว้าไม่มีอะไรปิดบงังเพราะที่จะทราบจะเข้าใจเรากำหนัดยินดีเกิดเพลินไปในราคาตัญหา มันเพิดเพินไปทํำไม่อะไรมันน่ายินดีในโลกอันนี้มันจะคิดบกมาภายในเพียงจะดูรูปร่างกระดูกที่เขาอามาให้มันก็พราเข้าใจไหนที่ว่ามันสวยมันงามมันเกิดขึ้นแคบเดียวแล้วมันก็แปรปรวน สลายไปตามหนักขีของมันเหมือน ก, นกันกับดอกไม้มันบานอยู่ได้ก็เพียงไม่ขีวันมันก็จะเหี่ยวแห้งเหวงโรยไปตามหนักขีของมันดอกไม้มีคนเราก็ทำมองเดียวกันถ้าหากเรามองไม่เห็นเราก็สงดงูู้้เฒ่าผู้แก่ ก่อนที่เขาจะเท่าจะแก่เขาก็เคยเป็นเด็กเป็นหนุ่มเป็นสาวมาเหมือนกันเมื่อเท่าแก่อย่างนี้มีที่ไหนมันดีมันสวยมันงามมันจะนํามาไขคิดแกะไขจิตใจคล้องตัวหรือไม่อย่างนั้นดูคนจายร่างกระดูกที่เขาเอามาให้ไหนตามันที่ว่ามันงามหูมันไปที่ไหนกันเนื้อหนังอวัยวะเพศต่างๆ ถึงเราถือว่าน่ากำหนัดยินดีมันไปไหนกันหมดถ้าเขาไม่บอกก็ไม่ทราบว่ารูปร่างกระดูกอันนี้เป็นผู้หญิงหรือผู้ชายนี่ความจริงของมันมันเป็นอย่างนี้มันไม่มีอะไรที่จะน่ากำหนัดยินดีที่เขาลุ่มเข่าหลงเข่าเพลิดเข่าเพลินมันก็ไปทํานองเดียวกันนี้จะหลงไปขนาดไหนจะไม่ให้มันแก่มันตายนั้น มันไม่มีมันจะต้องตายต้องแก่ตามหน้าที่ของมันเมื่อตายแล้วได้อะไรกันมีอะไรเป็นหน้าอยากได้มีอะไรเป็นหน้าเสียดายร่างกายซึ่งเราถือว่าเป็นของของเรามันก็ยังไปทอดไปทิ้งไปฝังไปเผาเราสวมบาภายนอกที่เราดึงเกี่ยวสแสวงหา อยากได้อย่างนั้นอยากได้อยา่างนี้ยินดีเเพ ล, เพลินจนนั่งไม่อยู่นอนไม่หลับวิ่งวุ่นแสวงหาอย่างนั้นอย่างนี้ผล ท, ที่สุดมันก็ไม่มีอะไรแต่โครงกระดูกก็ยังมาชิงเอาไว้ะภาษาอะไรสําหรับสมบัตินี่คือบางทีมีอาจมีทำท่านจะต้องพิจารณาไปอย่างนั้นจิตของท่านจึงไม่เหื่อเหื ใจของท่านเข้าใจถนาดชัดเจนอย่างนั้นท่านจึงไม่เพิดเพลิน ม, มัวเมาเฝ่าขวัญในรูปเสียงเรื่องราวต่างๆมีเราเนี่ยไปที่เจนาไปในแห่นั้นมีจะหยั่วยุ่ยจิตใจเขาทำอย่างนั้นดีอยากไปทำกับเขาเลยเพิดเพลิน ม, มัวเมาลุยไปใจเลยไม่ยุ่ อยู่ในวงข้องอัดข้องทำที่จะแจกไขมิจะส่งไปทางนอกมันหนาทรายถ้าส่งออกไปทางนอกอาหารมันจะเต็มเเต็มจานอยู่กว่าตามถ้าหากไปเอาเข้าไปในปากแล้มันไม่มีรันอิ่มส่งทงิ้งไปทางนอกทิ้งไปทางนอกนิ้วอยู่อย่างนั้นตลอดเว ล, ลาถ้าหากเอาเข้ามาในป่ากม่ตองมากาทรายมันก็อิ่มนี่ธรรมะคําสอนของพระพุทธเจ้าทันจึง ว่าเป็นโอปะนายิโกคือน้อมเข้ามาพิจารณาภายในตาเห็นหูได้ฟังจมูกได้กินลิ่นได้รสกายได้สัมผัสน้อมเข้ามาที่นิดพิจะะารณารูปถั่วไปถ้าหาพิจะะารณาภายในของตัวมันก็เป็นอันเดียวกันขึ้นเืือววัตถุนั้นไม่อะไรผิดแตแกต่างกัน มันเกิดขึ้นมันก่แปรปวนในถ้ำกลางทองมันและแตกสลายไปตลอดถึงอารมณ์ของใจมันก่ทํานองนั้นจะไปยึดมัน่นถือมั่นกับอะไรในโลกอันนี้มันใน ม, มีอะไรเสียงก็เหมือนกันจะเสียงไพเราะเสียงดุ ด, ด่าว่าเปล่ามันก่อทานองเดียวกันคือลมปาก ออกไปแล้วถ้าหากจิตใจไปยึดไปถือว่าเขาพูดดีอย่างนั้นอย่างนี้ก็เกิดความเหลื่อมใสเกิดความยินดีเต็มใจในคำพูดของเขาแต่เขาพูดดุ ด, ดา่าติเตือนต่างๆก็เกิดความไม่พอใจท้อใจเดือดร้อนในจิตในใจมันเป็นไปทำนองนั้นคือมันหมายถึงทเจนะ้าน่ะอันนี้มันเพียงแต่เสียง เขาสารเสพสื่เงินยอเขาเขาชอบเขาทำหนีนินทาเขาเขาไม่ชอบตัวของเราเองเป็นอย่างไรสิเขาสลรเสพมันสมกับคำสารเสพของเขาหรือยังสิเขานินทามันชั่วเสียไปตามลมปากของเขาหรือไม่นินทาหากจะวินิจฉัยพิจารณาแจกไขตัวของตัวเสียงภายนอก มันก็เกิดเป็นอาจเป็นทําให้ถ้ า, าไม่วินิจฉัยในที่นี้พี่เจได้นะก็คลอยจะบ่าบอไปตามเสียงนั้นนั้นถ้าทั้งสิตัวดีอยู่เขาว่าชั่วว่าเสียก็าตาดําตาแดงน่าเป็นยัดเป็นมานขึ้นทั้งทั้งสิ่ตัวชั่วตัวเสียอยู่เขาสรรเสริญเยินยอบอกหน้าเบิกหน้าบานขึ้นมันเป็นทํานองนะั้นคือใจไม่ตั้งมัน่นใจไม่มีเหตุผลถ้าใจมีเหตุผล ไม่ตื่นเต้นในคำสารเสวนินทาอะไรเขาว่าดีเราไม่ดีัหมกูอย่างเดิมเขาว่าชั่วเราไหวชั่วมั้งกูอยู่อย่างเดิมคลองมถ้าตรวจตาพิจารณาภายในอะไรถื่ควรําระแก้ไขควรบําเพ็ญเหตเป็นไปรีบกระทาบําเพ็ญไม่ว่าตาเห็นหูได้ยิน น้อมนึกเข้ามาภายในในหลงตัวค้องตัวเถอะนั้นโลก อ, อันนี้ก็ไม่มีที่ไหนจะหลงกันพอหลงตัวถือตัวจึงหลงคนอื่นเรื่องอื่นแต่นั้นทำผ่านจึงให้พิจารณาอย่างที่ท่านว่าเป็นพระโสดารักษายัตถิ วิจิกิจชาศิลปตตบามากวาหมายความว่าพิจารณากายตามความเป็นจริงให้ทราบให้เข้าใจเรื่องของกายว่าสัจจะว่ากายเถ่านั้นไม่มีสัตว์มีบุคคลมีตัวมีตน ม, มีเรามีเขาที่ไหนแต่สมมติมันมี โลกเขาสมมุติให้บ่ากกายแต่กายนี้ประกอบขึ้นจากธาตุทั้งสี่คือดินน้ำลมไฟหรือจะว่าธาตุหกอากาศวิญญาณก็ได้แล้วกายอันนี้ประกอบกันขึ้นแล้วก็จะต้องแตกสลายไปตามหน้าที่ของมันธาตุอะไรจะเป็นอะไรมันก็จะเป็นอย่างนั้น มันไม่คงเป็นคงว้าให้จะแต่ปวนเปลี่ยนแปลงเรื่อยไปเรื่องของธาตุของขันเรื่องของกายไม่ได้ยึดกายว่าเป็นเราไม่ได้ว่าเรามีในกายไม่ถือว่ากายมีในเราไม่ว่ากายเป็นเราไม่ว่าเราเป็นกายพิจารณาให้แยบคายให้เข้าใจ เหมือนคนไปอาศัยในบ้านบ้านไม่ใช่เราเราไม่ใช่บ้านบ้านหลังมี้พังไฟเราไปสร้างหลังใหม่นี้ไปที่ใหม่ไฟไม่บ้านแต่ไม่แต่ใหม่เราหนีกายมันแตกสลายแต่ผู้ที่ไหม่ตายผู้ที่ไม่เฉยตายมันมีอยู่จิตของท่านเห็นจิตของท่านรู้ในเรื่องเหล่านี้ชัดเจน ่ันจริงละสากายยะพิชิคือความเหนืิพ้นกายแบบเป็นเราเราเนี่ยเสตกายได้จิตเมื่อเข้าถึงขันนี้ทางธรรมะท่านก็พิรู้ว่าตกแต่แสของขันจะทิ่เรนาอย่างไรจึงจะทราบจึงจะเข้าใจจจึงจะถึงขอพิเจ้าาตามธรรมะจิตพระพุทธเจ้าสอง อะไรเป็นใจแข้งขามันเป็นใจไหมถามมันดูเหนืย่ยนั่งเอนกระดนเป็นใจไหมเป็นเราไหมถามมันดูไม่มีอะไรตอบนั่นเองถือแบบมันเป็นเราเราไปหลงมันคือไปหลงคือใครคือคจังใจใจนี้เป็นนามธรรมาละอียด ปัญญาสติเป็นนามธรรมเป็นของละเอียดมองเห็นกันได้